เรื่องบุคคลที่ควรรับเข้าหมู่32มสิจำพวก 2. ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับบุคคลนั้นเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าดีแล้วเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายคนมือด้วนที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับเธอเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าดี คนเท้าด้วนคนทั้งมือทั้งเท้าด้วนคนหูวิ้นคนจมูกแหว่งคนทั้งหูวิ้นทั้งจมูกแหว่งคนนิ้วมือนิ้วเท้าขาดคนง่ามมือง่ามเท้าขาดคนเอ็นขาดคนมือเป็นแผ่นคนค่อมคนเตีย้ยคนขอพอกคนถูกสักหมายโทษ คนมีรอยเคี้ยนด้วยหวายคนมีหมายจับคนเท้าปุกคนมีโรคเรื้อรังคนมีรูปร่างไม่สมประกอบคนตาบอดข้างเดียวคนง่อยคนกระจอกคนเป็นโรคอมาาัมพาตคนเคลื่อนไหวเองไม่ได้คนชราทุกพลภาพคนตาบอดสองข้างคนใบ้ คนหูหนวกคนทั้งบอดทั้งใบคนทั้งใบทั้งหนวกภิกษุทั้งหลายคนทั้งบอดทั้งใบทั้งหนวกที่ยังไม่ได้ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับเธอเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าดีแล้วภิกษุทั้งหลายบุคคลประเภทนี้เรียกว่าที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ ถ้าสงรับบุคคลประเภทนี้เข้าหมู่เป็นอันรับเข้าดีแล้วภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เรียกว่าที่ยังไม่ถูกเรียกเข้าหมู่ถ้าสงรับบุคคลเหล่านี้เข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดีวาสภะคามะพานวานที่หนึ่งจบ